พราันธ์บางคนทั้งหลายเนี่ยก็เป็นลักษณะนั้นคือคือเป็นคนที่ในที่สุดก็เวียนกลับมาเป็นธรรมดาแต่พระองค์เนี่ยเป็นบุคคลที่เรียกว่าไม่เวียนกลับเป็นธร ร, รมดาไม่เวียนกลับเพราะเห็นแก่ราชสมบัติไม่เวียนกลับเพราะเห็นแก่แก่อะไรบ้างแก่โอรสหรือมเหสีไม่เวียนกลับเห็นเพราะเห็นแก่อาณาประชาราษฎร์แบบแบบแบบเห็นแก่เห็นแก่ด้วยอํานาจจริงเห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่คนเหล่านั้นน่ะเนาะ บางทีบอกเห็นแก่เนี่ยเห็นแก่ครอบครัวเห็นเห็นแก่ตัวหรือว่าเห็นแก่บุคคลเหล่านั้นจริงมันด้วยๆกันนะนะพอๆกันมาเนี่ยนะเห็นแก่ด้วยๆกันทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่อะไรเห็นแก่โพธิญาณเห็นเพื่อโพธิญาณเห็นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงกล้าเนี่ยนะกล้าแต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยนะ ว่าถ้าบางคนธรรมดาทั่วไปเอ๊มคิดผิหรือคิดถูกเนาะคิดผิดหรือคิดถูกนาะมาถูกทางหรือยังไม่ถูกทางนาะเป็นต้นแต่พระองค์ไม่เคยมีจิตท้อแท้แล้วก็ท้อถอยมีจิตหวั่นไหวแล้วก็กลับเถอะพอแล้วเนี่ยนะเราเรียนพุทธประวัติมาดีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพระองค์ไม่เคยมีจิตถอยกลับเลยพระองค์จึงว่าพระองค์จึงชื่อทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะผู้เสด็จมาอย่างนั้นนะ่ยนะมาด้วยเจริต ทิฏฐินิสัยอัธยาศัยอุปนิสัยความภาคเพียรพยายามเหมือนกับพระพุทธเจ้าก่อนกรอนทั้งหมดพระพุทธเจ้าเหล่าองค์ก่อนปฏิบัติจนได้ตรัสรู้พระพุทธเจ้ามาด้วยปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติเหล่าใดสร้างบารมีเช่นใดมีความปรารถนาอย่างไรทําอย่างไรจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทําอย่างนั้นเนี่ยนะด้วยจิตใจที่กล้าหาญองอาจเนี่ยนะแล้วก็ จนถึงเรียกว่ามาเพื่อถึงชาติสุดท้ายเนี่ยไม่มีความคลั่นครามไม่มีการประวันพร่านพลิงแม้แต่ตอนที่เรียกว่าทุกธรรมทุกกระกิริยาไม่ได้ประวันพร่านเพลิงโอ้โ oh, หตายแนย่งานนี้จะรอดหรือเปล่าเนะาะผวาอยู่นั่นแหละสะดุ้งอยู่นั้นสนั่นระลิกเยู่นัไม่มีเนี่ยนะไม่มีการหวาดผวาไม่มีการหวาดสะดุง้งจะพร้อมขนาดไหนก็ไม่สะดุง้งแล้วปกติเนี่ยนะคนทอนปกติถ้าหิวนึกถึงอะไรอาหารถ้าร้อนนึกถึง ความเย็นถ in ้าเย็นน so ึกถึงความร้อนเนี่ยนะถ้าหนาวนึกถึงความอบอุ่นแต่พระองค์ไม่มีใจแบบนั้นเลยเนี่ยนะหิวก็นึกถึงคุณธรรมที่ทำให้เกิดการตรัสรู้ร้อนก็นึกถึงคุณธรรมที่ทำให้เกิดการตรัสรู้หนาวก็ทำให้นึกถึงแต่คุณธรรมเพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะจะเจ็บจะปวดก็นึกถึงคุณธรรมที่ทำให้เกิดการตรัสรู้ปัเหตุการณ์เหล่าใด ความทุกทรมานเจ็บปวดขนาดไหนใจก็น้อมไปเพื่อคุณธรรมแห่งการตรัสรู้ปกติแม่ถ้าคนนึกถึงว่ากำลังทุกอยู่เนี่ยนะน้อมไปเพื่อการตรัสรู้ไม่น่าแปลกใจแต่พระองค์ได้ฌานปกติเนี่ยแม่เรานี่พอปลื้มใจสบายใจด้วยกุศลระดับหนึ่งก็ติดแงกแล้วนะอูย้ยกุศ ล, ละจิตเกิดยาวสบายใจพอใจบอกไม่พระองค์ไม่ได้ติดอยู่ในระดับกุศลระดับนั้น ไม่ได้ติดอยู่ในระดับที่เรียกว่าปฐมฌานแม้แต่ปฐมฌานก็ยังไม่ติดอยู่ในระดับปฐมฌานถึงสุขระดับปฐมฌานพระองค์ก็ยังน้อมไปเพื่ออริยมรรคทั้งหลายได้ทุติยฌานพรงก็ยังน้อมไปเพื่ออริยมรรคทั้งหลายได้ตาติยฌานก็ยังน้อมไปเพื่ออริยมรรคทั้งหลายได้จตุทัชฌานได้รูปฌานได้อารูปฌานทั้งหลายได้สิ่งที่ประณีตเลิศได้รับความสุขปานใดใจก็ยังน้อมไปเพื่อ อริยมรรคทั้งหลายน้อมไปเพื่อพระนิพพานน้อมไปเพื่อโลกุตระธรรมน้อมไปเพื่อคุณธรรมชั้นสูงยิ่งๆ่งขึ้นไปเพราะฉนั้นสุขทั้งหลายไม่ได้ทําให้พระองค์ติดข้องทุกข์ทั้งหลายไม่ได้ทําให้พระองค์เปลี่ยนใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นะทั้งสุขทั้งทุกข์ใจของพระองค์ก็น้อมไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานได้รับลาบ่าพระองค์ก็น้อมไปเพื่อมรรคผลนิพพาน ถึงจะเสื่อมลาภทุกทรมานขนาดไหนก็น้อมใจเพื่อบรรโุมักิผล น, ผนิพพานพระองค์จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามันพระองค์กล้ามากเลยเนนะกล้าในสิ่งที่อันที่จริงแล้วเนี่ยแม้วันที่ออกบวชมารก็มาต่อต้านอันดับแรกเนี่ยนะสิ่งที่พระองค์กล้าทำเนี่ยปกติบุคคลทั่วไปไม่กล้าทำกล้าออกจากวัง น, นะกล้าตัดใจจากบุตรภรยากล้าตัดใจจากราชสมบัติกล้า จ่อสู้บอกแม่เทวดาเหาะมาห้ามเราเนี่ยเอาปกติเนี่ยแค่ฝันเนี่ยนะฝันร้ายหน่อยก็เลิกแล้วเนี่ยนะบางคนแค่ธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยแม่แค่ฝันนะบางทีคิดเอะใจขึ้นมาแค่เนี้ยเลิกแล้วแต่ไม่เนี่ยนะเรียกว่าท้าปรณิมิตาวะสวัสดีเนี่ยนะเหาะมาเลยอ่างนั้นเถอะเรียกว่าด้วยอํานาจคาว่ามาเนี่ยแ ม, ม่รูปชั่วตัวร้ายน้ากลัวพระหน้าวันภระวะเทพพบุตรรูปงามเลยแหละเนี่ยนะเทพบุตรรูปงามใน ที่สุดในฉะกา ม, มาพจรหล่อที่สุดรวยที่สุดดีที่สุดงามที่สุดมีอํานาจที่สุดเนี่ยนะอำนาจเขาคุมถึงพรหมโลกเนี่ยนะใหญ่ขนาดนะั้นบอกห้ามศีล ท, ะทะ่าะยาดบวชเลยอีกเจดวันท่านจะได้เป็นจกกักรพัทนะนะโอ้โปกติเนี่เห็นพญามานเห็นเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ขนาดนะั้นนะโอ้โแทบจะขอพรเนี่ยนะขอร้องท่านช่วยรักษาข้าพเจ้าหน่อยนะช่วยดูแลข้าพเจ้าหน่อยนะแทบจะขอเป็นทาสเป็นสาวกของพญามาน แต่พระองค์เป็นอย่างนั้นไหมบอกไม่เนี่ยนะกล้าที่บอกประมาณหลีกไปเถอะเนี่ยนะท่านไปบอกคนที่เขาอยากได้สิเนี่ยนะพะค์ไม่อยากได้อะพระองค์ก็เดินทางมาก็แปลว่าตอดแล้วเดินทางมาเนี่ยนะมาด้วยความอะไรเดินทางมาตลอดทั้งคืนมีปีติมีความสุขแล้วไม่ฉันอาหารเจ็ดวันเจ็ดวันแรกที่ออกบวชไม่ได้ฉันอะไรเลยแล้วก็เดินทางมาอีกเนี่ยนะเดินทางมาจนถึงเมืองราชจัครึกแล้วก็มาฉันอาหารที่เรียกว่าไม่ ปกติเนี่เห็นอาหารเนี่ยนึกถึงอาหารที่วังอยู่เหมือนกันแต่ก็บอกไม่ได้บวชมาเพื่อหาอาหารก็ฉันอยู่ได้เพราะทานหาโพธิญาณไม่ได้อาหารมาบวชเพื่อหาอาหารพระเจ้าพิมพิสารยื่นข้อเสนอพิเศษคือราชสมบัติครึ่งหนึ่งก็ไม่เอาเนี่ยนะคือมันเมืองยิ่งใหญ่มากเลยนะราชเครื่เนี่ยโบราณเนี่ยกินอาณาจักรทั้งใหญ่มากเลยพระองค์ก็ไม่เอาแล้วถามว่ามาบวชแล้วได้รูปอ่าได้ระดับ อากินจัญญายตนะเนี่ยนะได้ปฐมฌานที่มาจากกสินเป็นอย่างดีเยี่ยมได้ทุทาา ต, ติยะฌานตติยะฌานจะตัวฌานอากาสารัญญายตนาวิญญาณจัญญายตนาอากินจัญญายตนญญาเนาี่ยนะอย่างชำนิชำนาญอย่างคล่องแคล่วประสงค์จะเข้าประสงค์จะออกเมื่อไหรอย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้หมดถึงพร้อมด้วยวสีทั้งห้าชำนาญในการนึกชำนาญในการเข้าชำนานในการตั้งอยู่ชำนาญในการออกชำนานในการพิจารณาองค์ฌานเหล่านั้นทั้งหมด แม้ปกติแม้ชำนาญขนาดนั้นก็ได้ว่าถือว่าสบายๆยยนะชั่วชีวิตนี้ก็เกล้ากินไม่จะปีติทั้งวันทั้งคืนก็ได้ว่านั้นเถอะไม่เอาไม่ไม่หยุดอยู่เท่านั้นเนี่ยนะ น, น้อมไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพานนั้นถ้าไม่ใช่คนกล้าจริงๆทำได้ไหมพราะเจออารมณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็ไม่ได้ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงไปเจอโลกธรรมที่มันดีที่สุดก็ไม่ทําให้เกิดการหวันไหวหรือไปติดข้องมีแต่น้อมไปเพื่อให้คุณธรรมเจริญงอกงามยิ่งยิ่ ง, งขึ้นเนี่ยนะมีแต่ทําให้คุณธรรมทั้งหลายเติบโตภัยบูนบริบูรณ์งอกงามกว้างขวางยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปเนี่ยนะแล้วได้โสดาปฏิมาคบุคคลทั้งหลายโอย้เราอุ่นใจแล้วไม่ตกนรกแล้วได้ตั้งโสดาปฏิมาคพอแล้วไม่ สกักกาธาคามีมัช ก, ก็ไม่ทําให้พระองค์เพาะหยุดสกอนาคามีมัชเนี่ยนะก็ไม่ทําให้พระองค์หยุดโนนเมื่อถึงอรหัตตะมัชเป็นที่ตั้งแห่งอรหัตตะผลเป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญยุตยานถึงภาวะที่เรียกว่าไม่มีอะไรที่มันจะยิ่งกว่านี้อีกแล้วในคุณธรรมทั้งหลายอารหันต์ภาวะแห่งผ้าเรียกเจ้าสูงสุดก็เป็นผ้าอรหันต์ภาวะของผู้ตรัสรู้ทั้งหลายก็สูงสุดคือ ภาวะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบูรณ์ด้วยวิชาจรณะเนี่ยนะเป็นผู้ไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้จำแนกกระวัติเข้าถึงธรรมรัตนะบริโภคใช้สอยเข้าสมาบัติได้เป็นแสนโกรธล้านสมาบัติเนี่ยนะเป็นแสนโกรธสมาบัติ เนี่ยนะสองล้านสี่แสนโกศสมาบัติเนี่ยนะไม่ได้เข้าแบบแม้สมาบัติซะหนึ่งสองสามสมาบัติแหมแค่ปีตินี่นหน่อยอะไรเนี่ยนะถ้าสมาบัติของพระองค์ก็เป็นแสนโกดแล้วเนี่ยนะมากมายมหาศาลช่วงแวบแวบแหนึ่งเนี่ยนะว่ เ, เข้าได้ไม่รู้กี่เรื่องเลยนะช่วงวัหนึ่งวินาะทีคิดได้ไม่รู้กี่นัยยะเนี่ยนะอาชาวะกระพริบตาหนึ่งครั้งเราเห็นภาพกี่เห็นสีกี่สีคนอยู่เต็มหน้าเราไปหมดเลยนะลืมตาหนึ่งครั้งเราเห็นหน้ากี่คน เห็นเยอะๆนั่นแหละผู้ที่มีปัญญายิ่งระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะดวงอาทิตย์ส่องวาบขึ้นมาในเห็นภาพได้เท่าไหร่ปัญญาระดับพระองค์เนี่ยเห็นเห็นอะไรเท่าไหร่เนี่ยนะแต่ว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วนั่นแหละพระองค์จึงหยุดเจริญคุณธรรมเฉพาะพระองค์เองเพราะพระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วปัญภาวะเพื่อประโยชน์ตอนพระองค์ถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะแต่พระองค์เนี่ยนะเป็นผู้ที่ เวียนกลับมาไหมบอกโอ้ถึงที่สุดแล้วปกติเนี่ยนะถ้าอย่างในโลกเนี่ยเขาบอกว่ามีโรคโรคโรคจิตประเภทหนึ่งบุคคลเมื่อถึงที่สุดเช่นบางคนเนี่ยมีความใฝ่ฝันว่าชีวิตฉันนะเมื่อมีถึงที่สุดเช่นได้ตําแหน่งถึงที่สุดในตําแหน่งที่ตัวเองวางเอาไว้พวกนี้ปั๊บเนี่ยนะคือเรียกว่าถึงโรคภาวะจิตสลายเมื่อในจิตสลายหมายความว่าหมดเป้าหมายเป็นคนที่หมดหมดเป้าหมาย เพราะอะไรเพราะตัวเองได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้แล้วเช่นถ้าได้ตําแหน่งมาปั๊บก็โอ้จิตสลายแล้วทีนี้หลังจากนั้นพวกนี้ไม่สับปรดอะไรเลยไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยนะจะไม่ไม่อะไรกลายเป็นคนที่จิตใจโลเลไม่มีความแน่นอนเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เขาบอกว่ามันดีมันได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วเนี่ยนะพวกนี้กลายเป็นคนที่โรคมาเป็นโรคชนิดใหม่ขึ้นมาวันนี้ต้องอาศัยจิตแพทย์ทั้งนั้นแนหะ ยกรโรคจิตสลายเนี่ยนะเช่นได้ตําแหน่งได้ลาบได้ยศได้สรนเสริญได้อะไรในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองพอใจแล้วสมความปรารถนาแล้วกินก็ได้กินอย่างใจอยากกินแล้วนอนก็ได้อย่างใจอยากนอนแล้วเนี่ยนะยศตําแหน่งลาบสันเสริญคนยอมรับแก้วแหวนเงินทองสมความปรารถนาหมดพอไปถึงระดับเนี่ยผู้คนพวกนี้ฟุง้งซ่านแตกกระจายเนี่ยนะเรียกว่าโรคใจสลายว่างั้นเถอะ เรียกว่าโรคหัวใจสลายสลายเพราะมันไม่มีเป้าหมายไม่มีอุดมการ์ไม่มีทิศทางเนี่ยนะเรียกว่ากลายเป็นคนที่ไม่มีทิศทางอะไรหรือผู้ที่ได้เจริญคุณธรรมระดับหนึ่งก็เหมือนกันเนี่ยนะพอได้คุณธรรมมาระดับหนึ่งเอาตัวเองถึงที่สุดแล้วก็อยู่ด้วยความประมาททางโลกถ้าได้วัตถุในสิ่งที่ตัวเองต้องการปั๊บจะอยู่ด้วยความประมาททางธรรมถ้าได้คุณธรรมอย่างที่ตัวเองระดับที่พอใจก็อยู่ด้วยความประมาท ถ, ถ้าไม่เข้าถึง คุณธรรมพิเศษสุดไม่เข้าถึงคุณธรรมที่สูงสุดอย่างไรก็อยู่ด้วยความประมาทเพราะฉะนั้นจึงเวียนเวียนกลับเมื่อที่ใช้คาว่าเวียนกลับมาเพื่อความเป็นคนมากแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นเป็นผู้มีความเพียรคงที่เป็นผู้มีความเพียรคงที่เาเรียกว่าถ้าเป็นความเร็วก็คือเป็นความเร็วคงที่เหมือนโลกหมุนเนี่ยนะหมุนคงที่ไหม โลกเราเนี่ยมันหมุนรอบตัวเองเนี่ยนะนะหมุนคงที่ไหมถ้าหมุนไม่คงที่เมื่อไหรนะ่เนี่ยยุ่งเหมือนกันนะถ้าเกิดนึกหยุดหมุนขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะมีแต่วันอย่างเดียวมีแต่คืนอย่างเดียวเป็นต้นดงั้นการหมุนของโลกก็คงที่ถือว่าคงที่นะความเร็วที่เป็นไปเนี่ยนะความเร็วในการหมุนรอบดวงอาทิตย์ก็ถือว่าคงที่แล้วพระพุทธเจ้าก็เป็นภาวะอะไรที่มันคงที่เนี่ยนะนะจิตใจถึงสภาวะที่สูงสุดที่ คงที่แล้วเนี่ยนะไม่มีการหวาดหวัน่นแล้วก็ผวาไม่มีอะไรสักอย่างเนี่ยนะคุณธรรมทุกอย่างเนี่ยคงที่ด้วยความชํชนานิชํานาญเพราะทุกอย่างเนี่ยแกละทำด้วยความอุตสาหะภาคเพียนวิริยะแกล้กลาเนี่ยมากนี้ต่อไปอีกว่าพระองค์เนี่ยนะเมื่อความพยายามของพระองค์เนี่ยถามมาถึงที่สุดระ ย, ยังเมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบอกยังไม่ถึงที่สุดพระองค์กลายเป็นผู้ที่ชนะสงครามสงครามภายในของพระองค์ ชนะแล้วทีนี okay. ้ต่อไปก็คือช่วยให้คนอื <esta> ่นชนะสงครามบ้งเนี่ยนะเมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์จึงน้อมไปเพื่อให้สัตว์อื่นตรัสรู้เมื่อพระองค์ฝึกแล้วที่เหลือจึงน้อมไปเพื่อการฝึกผู้อื่นเนี่ยนะเมื่อพระองค์เนี่ยปรินิพานแล้วพระองค์จึงน้อมไปเพื่อให้ผู้อื่นปรินิพานมั้งพระองค์ข้ามพ้นจากสังสารทุกขวัตทุกข์แล้วพระองค์จึงน้อมไปเพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยข้ามด้วยทีนี้มันไม่ใช่คนเดียว โลกพร้อมทั้งเทวโลกแล้วไม่ใช่กิจที่พระองค์ทําทําแค่ครั้งเดียววันเดียวขณะเดียวเวลาเดียววันแล้ววันเล่าเนี่ยนะทำได้นะช่วยเหลือผู้อื่นมันพระองค์เนี่ยมีความสุขที่ผู้อื่นเนี่ยบรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเคารพทำอยู่ตลอดและแสดงธรรมพระองค์ก็แสดงด้วยความเคารพพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไอความที่พระองค์ประความเป็นผู้คงที่จึงมีความเคารพธรรมะอย่างคงที่ พันเมื่อพระองค์ประกาศคุณธรรมทั้งหลายประกาศอริยธรรมประกาศโลกุตรธรรมจะประกาศแก่นายพรานเนศาสตร์ผู้มีมีเพื้อนเลือดเช่นโจรองคุลิมานพระองค์ก็ประกาศด้วยความเคารพด้วยความหนักแน่นแนละคงที่ไล่ต่างๆเนี่ยจนกลายเป็นชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยนะเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าประชาชจนเป็นอมามัด เสนาบดีตลอดจนถึงพระราชามหากษัตริย์เป็นพระราชาเมืองน้อยพระราชาเมืองใหญ่ประดับมนุษย์เทวดาภูมิเทวดาจาตุมดาวดึงยามาดุสิตจนถึงโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกเนี่ยนะหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามทั้งหมดพระองค์ก็มีภาวะที่คงที่เนี่ยนะพระองค์มีความเคารพธรรมอยู่เสมอเนีเคารพผู้ที่เขาตรัสรู้ทำมันความที่พระองค์เคารพทำมันเคารพคุณธรรมทั้งหลาย นะเพราะพระองค์มีใจิตใจที่กล้าเนี่ยนะกล้าที่เรียกว่าคุณธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องช่วยช่วยให้สัตว์เนี่ยพ้นจากทุกข์จริงๆเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ถ้าไม่มีความภาคเพียรพยายามล่ะเป็นไปได้ไหมมันกล้าเนี่ยนะแม้กระทั่งเจ็บปวดระหว่างเผยแผ่พุทธศาสนาร่างกายของพระองค์จะเป็นยังไงก็เป็นไปเนี่ยนะเพราะพระองค์ก็กล้าที่จะทําบางครั้งเนี่ยถูกด่านียนะ โอยใครจะนั่งถูกด่าเจ็วันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าถูกด่าเจ็วันที่เมืองโกสัมพีเลิกไหมไม่เลิกเนี่ยนะที่เมืองสาวัตถีเขาหาเรื่องเนี่ยนะหาเรื่องโดยในยะต่างๆพระองค์เลิกไหมก็ไม่เลิกเนี่ยนะพระองค์ก็กล้าที่จะช่วยโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นจากโกขฆาสงสารถึงจะได้รับการต่อต้านขนาดไหนพระองค์ก็ไม่เปลี่ยนใจแต่หมยายความว่าสิ่งนั้นอ่ะถูกต้องแล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นอ่ะ เป็นสิ่งที่ช่วยโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้พ้นจากภัยจริงๆเป็นการช่วยเหลือสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกเนี่ยนะตรัสรู้ธรรมเป็นที่เป็นความสุขมพระอง์จึงกล้าที่จะประกาศแสดงแต่งตั้งเปิดเผยเนี่ยนะคงที่แล้วก็สนับสนุนส่งเสริม น, นะพระเถระทั้งหลายเช่นพระอมหาสาวกทั้งหลายพระมหาสาวกทั้งหลายที่พระพุทธเจ้า ตรัสถึงชื่นชมคือพระที่ตรัสรู้นะผู้ที่ฝึกแล้วช่วยคนอื่นฝึกต่อๆไปเช่นอสีติมหาสาวกทั้งหลายพระสารีบุตรพระโมกัลานะพระมหากระสปะพระอานุพานุรุทธะพระมหากจายนะพระทั้งหลายที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าแล้วยังช่วยถ่ายทอดให้ผู้อื่นตรัสรู้นั่นเป็นที่ชื่นชมของพระพุทธเจ้าเป็นที่กล่าวขวัญถึงเป็นที่พูดถึงสําหรับพระพุทธเจ้าอนุโมทนากับบุค คนทั้งหลายผ้าเรียเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะมันพระองค์จึงส่งสาวกของพระองค์ไปช่วยประกาศสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้คืออริยสัจเธรรมเนี่ยนะจารถะพิกเวผู้ชนาหิตายะเนี่ยนะผูะ้ชนาสุขายะเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปเถอดภิกษุทั้งหลายไปเพื่อเนีนะผูะ้ชนาหิตายะเพื่อเกื้อกูลแก่ชนจํานวนมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชนจํานวนมากเนี่ยนะเพื่ออนุเคราะห์โลกพร้อมทั้ง เทวโลกเพื่ออะไรสงเคราะห์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปั้นไปแสดงธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงยาไปทิศเดียวสองรูปนะแจกกันไปอย่าไปด้วยกันเลยแยกยให้กันไปเนี่ยนะไปเพื่อสงเคราะห์เนี่ยนะเพราะคนที่มีบุญมีบุญอันสั่งสมไว้แล้วเนี่ยนะมีทุลีคือกิเลสในดวงตาน้อยเนี่ย เขาเหล่านั้นที่จะรู้ตามเห็นตามยังพอมีอยู่ถ้าเขาเหล่านั้นไม่ได้ฟังเขาจะเสื่อมนั้นพระองค์ก็จะกล้าคิดที่จะสงเคราะห์คนอื่นต่อไปอีก